بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية ل ل م ت ق ي ن ولعدوان إلا المظلمين وصلّي وصلّموا على شرف ا ل أ و ل ي ن والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن د ع ه م بإحسان إلى م ا ل د ي ن ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คำว่าอาญาอาญะแปล ว, ว่าสัญญาณพื้นพื้นของภาษาอังกฤษนะอาญะแปล ว, ว่าสัญญาณสมมตว่าสองคนสนทานานกันบอกว่าเนี่ยฉันไปแถวนน้นแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไหนมีอาะาไหมมีอะไรไหมมีสัญญาณไหมอะไรยืนยันไหม นี่ครัาไอาถูกใช้เป็นฉายาขององค์การพระดํารัตขององค์ลอสุภานวุฒาอะไรเพราะพระดํารัตของอองค์การขององค์เนี่ยเป็นสัญญาณแห่งศัจธรรมถูกเอ่ยแล้วเนี่ยถูกกล่าวขึ้นมาเนี่ยพระดํารัตขององค์เนี่ยก็จะเผยศัจธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมา อายาันี่เอกพุระ พ, อพระพอพปนี่อายะอะพีนี่ฮะอันที่อัาาาาลลอฮุบ ح ا ن ه แะ ت ع ا ل าให้ บ, นนนบรดา ن บรุซูลแสดงขึ้นมาว่าสัจนะอภพนีหารสิ่งที่มันเหนือวิสัยของมนุษย์ถูกเรียกว่าอายะเหมือนกันเพราะมันเป็นสัญญาณ ชีถึงความศั์จริงของนบีระสุดศาสนทูตนี่จะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตจากพระเจ้าคําถามเลยประยะิยและอะไรคือสัญญาณคือหลักฐานนี่เนี่ยอาภีนิหารเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานว่าฉันเนี่ยเป็นนบีที่มีสารมาจากพระเจ้ามาให้พวกเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้านะมีอุนปรโลกนะ ซึ่งมีองค์การของอัลลอฮ์เพียงช่วงเดียวพระาดำรัสของอัลลอฮ์เพียงชุดเดียวที่ถือว่ามีสัญลักษณ์ของสองอย่างหนึ่งความเป็นองค์การ เป็นพระดํารัตของพระเจ้าและยังเป็นอภินิหารเป็นโมจิจาตเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยความสามารถของมนุษย์ที่จะทําได้คัมภีร์ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นองค์การของรัมเงินตะร้อนอินเดยลซับบูก็เป็นอัยยัดเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นโมจิจาตไม่ได้เป็นอภินิหารหลักฐาน ว่าไม่ได้ไม่หนาไ่หนัเพราะออ์อัลล์ไม่ได้บอกว่าตัราหรืออินีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเรียนแบบได้แล้วเหตุที่เกิดขึ้นจริงว่ า, วาเขาอุปลโลกขึ้นมาอุปลโลกคำพูดของมนุษย์เนี่ยแอบอ้างว่าเป็นคำพูดของพระเจ้าแล้วมาบิดเบือนแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันปนมันปนจ น, นมั่วไปหมด ว่ไม่รู้ว่าคำพูดไหนเป็นของพระเจ้าอันไหนเป็นของมนุษย์จะพบว่าคำพีอาร์ิทาปเนี่ยไม่มีสองเล่มที่เหมือนกันพิมพ์สองครั้งก็ไม่เหมือนกันไปถึงว่าลอกมาจากเล่มหนึ่งนะเล่มโบราณอันหนึ่งนะแล้วพิมพ์ครั้งแรกพิมพ์ครั้งที่สองก็ไม่เหมือนกัน แต่การท้าทายของกุตัน้นที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าจะไม่มีใครสามารถอุปลโลกกับเรียนแบบกุตั้นได้นี่คือความเป็นอวินิหารของกุตั้นด้วยชาวกุรเรชเนี่ยก็คือผู้ปฏิเสธทาที่มักกะเนี่ยที่เป็นเผ่ากุเรชเนี่ยและตอนที่เขาปฏิเสธท่านนาบับดุลสลลละหัวเนี่ยอยู่ซาลลัมได้ปฏิเสธทั้ง2ออย่างเป็นชุดเลย น บ, บียวกุณอ่านมาพูดก็ปฏิเสธแม่เนเ บ, บียวอภินิหารนี่เขาขอมาเนี่ยให้ยืนยันว่านี่ในะเดชานุภค้าของเรานี่สามารถสแสดงซึ่งเรื่องอัศจรรย์แบบนี้ที่พวกคุณทําไม่ได้เนี่ยก็ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันทีนี้พอกุรอ่านพูดถึงการปฏิเสธองค์การหรืออาญะเนี่นะหมายถึงทั้งสอง ทั้งองค์การที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งกุรอานเนี่ยและอภีนิหารเที่ยงโลกฝากไว้กับบรรดาอบดรัสูลซึ่งเรียกว่าอายัดเหมือนกันนะะเขาก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าทั้งสองอย่างทั้งกุรอานซึ่งเป็นพระดำมาหอัลลอฮ์และอภินิหารเที่ยงโลกให้นบีแสดงออกไว้นี่มันก็นมาจากอัลลอฮ์ทั้งคู่ และทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันในความสัจจริงของท่านนาบีสุลต่านนะครับคุณอานก็ยืนยันในความสัจจริงของท่านนาบีบอกคนที่ฟังอาหรับอาหรับที่เขาเปิดใจแล้วก็ฟังเนี่ยโอ้แทธิบีก็ไดมีว่าฉบับนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แน่นอนและที่แปลกนะครับว่าคนที่ต้องการ ศรัทธาในทุกยุคในนะทุใทุกยุคของบรรดานบีรัสูลทั้งหลายแม้กระทั่งสมัยท่านนบีอีซาท่านนบีมูซานบีท่านอื่นๆเนี่ยคนที่ต้องการศัตธรรมเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ไดเรียกร้องจะต้องมียพินิหารหรือมอดิษฐ์ขึ้นมาถึงจะมีแล้ววันนั้นเขาจะรีบศรัทธาซึ่งต่างกับคนที่ปฏิเสธอะไรก็ไม่เอา ยังไงก็มแมวคนที่ศรัทธาในบรรดาอบเรัสูลส่วนมากนี่ก็ศรัทธาในในพระดำรัสของอัลลอฮฺได้ยินพระดำรัสของอัลลอฮฺคาสั่งสอนของของอัลลอฮฺเนี่ยจึงศรัทธาส่วนมา ก, ก น, น้อยคนที่จะศรัทธาเพราะอภินิหารและมากคนที่จะปฏิเสธเพราะอภินิหารนี่แหละแตรพอปฏิเสธแล้วเนี่ยอัลลอฮฺก็จะลงโทษ ฉะนั้นท่านนาบีถูกถามอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีเลือกถูกถามว่าจะเอาอยัางไงแต่เขาขอสแสดงอภินิหารนี่ให้ได้เลยนะแต่ถ้าให้แล้วแล้วเขาปฏิเสธนี่นะระเบียบเดียวของประชาชายุคก่อนนะปฏิเสธแล้วยังไงลงโทษเลยปฏิเสธแล้วนี่เอาเรื่องเลยนะไม่ไม่ไม่ไมปวิงเวลาละอันนี้คือระเบียบตั้งแต่สมยัยประชาชาติยุคกอ่อน น บ, บีเลืกบอกว่าไม่เอาอภินิหารนี่ให้น้อยที่สุดคุรอ่านก็เพียงพอแล้วซึ่งการปฏิเสธคุรอ่านเนี่ยมันก็มีค่าเหมือนปฏิเสธอภพินิหารเพราะทั้งสองนี่ก็มาจากอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เรลวิงเวลาให้คนที่ปฏิเสธคุรอ่านฟังคุรอ่านมาทำไมท่านนบีสุลัฟังคุรอ่านตั้งแต่นบีเริ่มเทศนาบางคนก็ไปศรัทธานูน่น อีกสิปีอีกสิาปีเนี่ยไปศรัทธาละไปอุเบไปมดีนะนบีน่อยู่ที่มดีนาเนี่แปลอีกปปีนะทั้งหมดที่เท่าน่สิบปีพอนบีพิชิตมักกะนี่นะศรัทธาแสดงว่าอัลลอฮ์ตรววิงเวลากี่กี่ปีอยี่1ปีประชาชาตายุก่อนนี่เจออภินิหารนั่นนึงสมุดขุมชนนบีซาเลนี่ เต็นแล้วนะว่าถะให้อูดมาเนี่ยกินนมกันทั้งเมืองเลยน้ำนมของอูดเนี่ยกินได้ทั้งเมืองเลยแต่จะต้องให้วันหนึ่งเนี่ยให้อูดนี่มาดื่มน้ำจากบ่อน้ำเนี่ยเพียงอูดตัวนี้ตัวเดียวคนอื่นห้ามมาดื่มน้ำกับมันทนไม่ไหวไปเชือออูดแล้วดูความบืงอความบางอาจของประชาชาตยุค ก, ก่อนบางกลุ่ม ความบังอาจเป็นยังไงเสื้ออูดนี่เนี่ยเช้ารุ่งอีกวันเป็นไงนะเปี้ยงไม่เหลือแต่นี่ปฏิเสกุรอานมา21ปีนี่นะจนมาสะท้านมาอีมานกันอัลลอฮ์กรับโบวงเวลาให้เขากุรอานและนบีจึงเป็านร่ำหมตรงนี้เป็นร่ำหมทุก ทางเลือกที่อัลลอฮฺถามท่านนบีนบีจะเลือกทางที่เป็นการประวิงเวลาให้ประชาชนเขาจะเอาอยัางไงให้ลงโทษไหมครัให้เขายังไม่รู้เผื่อเขาจะศึกษาเขาจะศรัทธาประวิงเวลาทางนี้ประวิงเวลาได้แต่การประวิงเวลานี่จะต้องเป็นอุทาหรณ์ต้องเป็นบทเรียน การปฏิเสธสถาทธถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นเป็นบาปมหันต์เอาความบังอาจของมนุษย์ที่มีสารมาจากพระเจ้าแล้วไม่ยอมพิจารณาไตรตรองปฏิเสธทันทีเลยฟังไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งปฏิเสธเหมือนคนหลายคนที่ฟังท่านนารีสันร้องอะไยลไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ระวิงเวลาเขา เหมือนจดหมายสารที่ท่านนบีสุลต่านส่งส่งจดหมายให้กิสร์อกษัตริย์ของเปอร์เซียกิสร์กิสร์อเนเป็นฉายาของกษัตริย์เปอร์เซียในภาษาเปอร์เซกกิสร์อภาษาเปอร์เซียนี่ภาษาไทยเนี่ยมันก็ เป็นเครือญาติกันนะกิซโรกษัตร์กษัตร์กิสโรแปลว่ากษัตร์นะกิสรรกษัตร์นี Navy ้ก็มีรอเรื่องนั้นนะมันไซเลนไม่อ่านส่งจดหมายกิสโรน่ะก <uz> ็ส <Purple> ่งจดหมายให้เฮร์คลีสกษัตร์ของโรมันเฮรคลีสเนี่ยรียก บาทหลวงเฮกเิสเองเนี่ยรู้ว่านี่มี่นี่สารจัดศาสนทูตแน่นอนแล้วก็เรีเคยเรียกญาติของนบีมาถามของมันใช่เลยแต่เขากลัวตัวเฮกเลสเนี่ยเป็นผู้รู้แต่เขากลัวพวกบาทหลวงก็อยากจะให้เป็นมติก็เลยเรียกมาเอายังไงถ้าเราไปศรัทธารีไปศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราจะได้เปรี่ยนนะ เอาอยัางไงเราจะได้เปี่ยนนี่ค่อยแนะนำในแต่ละเขาเป็นเป็นฝ่ายบริหารแผ่นดินแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นผู้รู้ด้วยบางคนเขาบอกว่าเฮดิกลิสก่อนที่จะเป็นกษัตริย์นี่เคยเป็นบาทหลวงมาก่อนรู้อ่านคำพี่รู้พวกบารหลวงนี่ส่งเสียงพ้องกันแล้วไม่เอาไม่ยอมเราจะยอมได้ไงไม่ยอมเขาก็ไม่ย ไม่ไม่ปฏิเสธนะเขียนจดหมายส่งไปท่านนาบีสุลอ่านเลยฉันเรือ่องว่าข้าพเจ้าสราบซึ้งในจดหมายที่ท่านได้ส่งมาแล้วถ้าครับถ้าข้าพเจ้ า, า, า, จาว่างและสะดวกนี่ข้าพเจ้าจะไปล้างเท้าให้ท่านให้ท่านนาบีบอกว่าไม่รีบปฏิเสธนะไม่รีบปฏิเสธนะ Allah ก็เลยประวิงเวลาให้เขาให้ฮิรกลิสเนี่ยให้อำนาจของฮิรกลิสเนี่ยนู่นนะจนนบีเสียชีวิตจนกระทั่งถึงยุคอัมารุบุลขับตอบนบีทรงสานี่ตั้งแต่นบีอัยุไปที่มดีนนปีที่หนึ่งฮิจร้อนะแล้วก็นบีเสียชีวิตแล้วอัมารุบุขบต่อมีไปพิชิตพิชิตซีเรียซีเรียที่เป็นเมืองหลวงของตอนนั้นของอาณาจักรโรมันนะอยู่ที่ซีเรียนะปีที่23สฮิจรัก เอาเวลาไป23ปีให้มีอำนาจนะเพราะไม่รีบแต่กิสรล่ะกษัตริย์ของของเปอร์เซียนี่นะพอเห็นจดหมายท่านนบีนี่จับชีกเลยชีกแล้วก็ทิ้งขว้างหน้าทู่ที่นบีส่งไปพอทู่ที่นบีส่งไปในี่สหายนี่กลับมารายงานท่านนบีนบีก็บอกว่ามัซซักิทาบิมัซซัอัลลอฮุมุลกะ ได้ฉีดจดหมายของฉันขอให้เราได้ฉีดอำนาจของเขาไม่กี่วันนะครับหลังจากที่นบีได้ขอดูอานี้นะญาติเขาเนี่ยมาแย่งแย่งบัลลังก์แล้วก็สังหารแยกวันแล้วลก็เป็นแบบนั้นตลอดนะระบบการปกครองที่เปอร์เซียนี่ก็ไม่คยมั่นคงนี่เราก็จะเห็นอะไรบางอย่างแบบเนี้ ในยุคปัจจุบันคนที่ไม่ต่อต้านศาสนาของพระเจ้าเนี่ยาก็จะปร ะ, ประวิงเวลาให้เขาในคนที่ท้าทายอัลลอฮ์สุบฮานาอัลบดลงโทษทีทันทีเลยบดลงโทษมาทันทีเลยถ้าเราจะไปไล่ล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริง บางคนก็บอกว่าออนีอนี้เว่อไปแต่เหตุการณ์แผ่นดิ น, หนหไหวเหตุการณ์น้ําท่วมเหตุการณ์ไฟไหมมีเยอะนะให้เห็นนะแต่คนส่วนราก็อกโอ้โหธรรมชาติไปธรรมชาติแผ่นดินไหวที่ตุรกีเมื่อสี่สิปีที่แล้วเนี่ยใหญ่กว่าคราั้งก่อนเมื่อกี่ไม่กี่ปีน่คนเสียชีวิต คืแสนน่ะเกิดหลังจากที่ตอนนั้นตอนนั้นตุรกีเนี่ยศาสนานี่แม่ทหารนที่บริหารประเทศเนี่ยไม่เอาศาสนาปรากฏว่ามีปาร์ตี้นี่ทหารเนี่ยเขาจัดปาร์ตี้แล้วก็มีทหารลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยก็ไปไปขออนุญาตจากเจ้านายเนี่ยเขาก็ขอเนี่ยเป็นละหมาด ไอ้นังกระโมโหเลยของขึ้นหรืออ่านละหมัดอะไรไอ้กุฎอ่านนี่เนี่ยจะฉีกระฉีกกุฎอ่านแล้วก็หยียบกุฎอ่านเท้าเหยียบกุฎอ่านเขาก็เหตุการณ์แผ่นนี้ตัวไหนเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องนี้ในชาวตุรกีเนี่ยเขารู้กันหมดเลยแต่แน่นอนคนนี้คนนี้เขาไม่ไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเปลือกโลกเปลือกโลกนี่มันกระกกระกรแล้ว่นที เบือกโลกมันรกระกระกรธรรมชาติมีลมขึ้นลมลงอะร้รเหมือนเรื่องไฟไหมที่เอลเอลาสุดนี่นะก็บอกว่าก็กจัดปาร์ตี้เหมือนกันแล้วเขาก็ถามอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงว่าเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าปรากว่าส่วนมากในปาร์ตี้นะั้นไม่มีใครเชื่อไอพิธีกรนี่ก็บอกว่านี่พูดด้วยความภูมิใจนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของ ลอสแอนเจลิสเนี่ยว่าไม่มีใครยอมรับในพระเจ้าอันนี้หนึ่งเหตุการณ์นะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาประกอบด้วยเหตุการณ์อื่นๆที่สาหารัฐอเมริกาเนี่ยเ ป, เป็นเป็นต้นเหตุของการเกิดสงครามที่กาซาแล้วก็มีอะไรที่มันสอดคล้องหลายอย่า ง, งอาวุธระเบิดที่เขาไปทิ้งที่กาซาที่ทำให้ พี่น้องชาวกาซ่าที่ต้องล้มตายกันจนํานวนมากแล้วอเมริกาอยู่เบื่งหลังแล้วคนที่พักอศาศัยอยู่ในหมู่บ้านคนเศรษฐีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นทหารนักการเมืองนักสื่อเศรษฐีที่เขามีอิที่พลในด้านสื่อหนึ่งนนั้นก็มีคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นนักแสดงนักแสดงนี่ก่อนที่เริ่มสงครามกาซ่านี่บอกว่าอย่าอย่าอย่าไปทําข้อตกลงนะเผา เ้าย่างเดียวระเบิดยังเดียวสู้ย่างเดีย ว, ยยวไม่อย่ายอมฆ่ามันเฮ้ยมีคนบริสุทธิ์สควรแล้วที่จะตายแต่วิธีอย่างนี้มาตลอดปีที่แล้วตลอดนี่บานใหม่บานใหม่ออกทีวีนอกร้องไห้ร้องหายหมดหมดตัวคือเราไม่ต้องชี้ถึงคนอื่นมแม้กระทั่งตัวเราเองแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันถูกปกปิดนี่เราไม่เห็น เราไม่เห็นถ้าเราได้ไล่ประวัติของเรานี่หมายถึงว่าเรามีมีกล้องวิเศษหน่อยนะที่สามารถถ่ายถ่ายทําพฤติกรรมของเราถ่ายทําวาจาเจตนาของเราทุกอย่างนี่แล้วก็เรายงานรีพอร์ตให้เราได้เห็นว่าเออชั่วของเราในเมียในบ้างนะแล้วก็ไปดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้เคยสะดุด เคยห ก, กล้มเคยรถชนเคยล้มมอเตอร์ไซค์เคยแล้วก็มามามาม า, มาดูนะเราจะเห็นว่าอะไรหลายอย่างนี่เป็นการลงโทษบาป ท, ที่เราทําำจริงๆเราลงโทษเป็นบล้อที่มีจะเป็นเราหรือคนอื่นเนี่ยมีจะต้องมีมีอะไรที่มันเกี่ยวข้อง ความดีธรรมก็ลอ Allah สุบฮานะวดาแต่ประเด็นที่เรากําลังพูดถึงเรื่องปฏิเสธสัทธาปฏิเสธองค์การ Allah ขอัลลอฮ์สุบฮานะวดาส่วนหนึ่งของอายัดของอัลลอฮ์นี้ก็คือพระดำรัสของอัลลอฮ์สุบฮานะวดาที่เป็นคําสั่งสอนถึงแม้ว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธตัวพระดำรัสนะแต่ปฏิเสธเนะื้อหา พอดีทำเข้าว no ่าปฏิเสธก์ um ูรอาหม่ามีพอดเสธไม่ปฏิเสอร์คูรอันที่กุร์อานนี้มาจากอัลลอฮ์ถ้วเกิไม่ไม่ปฏิบัติตามลเราผมผมไม่เอาผมผมไม่ยอมรับในเนื้อหาว่ามันใช้ได้ไอความคิดแบบนี้มีมีมีในปัจจุันทั้งคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมอันนี้เรียกว่าอะไรนี้เรียกว่าพอดีเซนเหมือนกันมีค่าเดียวกัน สำหรับคนที่ปฏิเสธกุรอานอย่างอย่างสิ้นเชิงนอะคนที่ปฏิเสธศาสนาไม่เอาศาสนาเลยนะก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ศา ส, สนาเอาไม่เอากุรอานเอาไม่เอาแล้วทำไม่ม่ปฏิบัติอวามเนื้อหานมันใช้ไม่ได้หรอก น, ะนปัจจุบันนี่มันเราจเจริญแล้วเราไปไหนแต่ไหนแล้วจะให้คนยังจะมาเชื่อว่าฝนตกนี่เพราะ Allah สั่งให้ฝนตกหนว่าผมผมรับไม่ได้ การพนันโอ้ยนี่เขาจะนี่แล้วพอร์บอเอาแล้วเขาไปไหนกันแล้วแล้วนี่จะมาพูดการพนันบาปอ๋ดอกเบี้ยบาปอ๊อยังง้นอยู่ไม่ได้เนี่ยมึงไทยนี่อยู่ไม่ได้อยู่เพราะเงินกู้อย่างเดียวคนไทยมือนกันนะ่ะถ้าถ้าไม่ไม่กู้นี่คนไทยนี่กู้อย่างหายใจนะดอกเบี้ยนี่ อยู่ในสายเลือดการพนันอะอยู่ในสายเลือดเหล้าในอยู่ในสายเลือดจะมาห้ามคนกินเหล้านาะโอ้อะไรศา ส, สนาอะไรศา ส, สนาอะไรจะมาบังคับให้ผู้หญิงต้องปิดปุดปิดนูน่นปิดนี่เป็นอะไรนักนักเขียนอาหรับมุสลิมบางคนศาสนาแห่งความใคร่ ศา ส, สนาที่ที่มองผู้หญิงเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอวัยวะที่น่าสนใจอย่างเดียวไม่ได้มองว่าว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดเป็นสติปัญญาเขาจะเปิดตรงไหนก็ได้นี่มันไม่ได้กระทบกระทบความเป็นหญิงของเขาสลิมบูนอะมุสลิมคืนะอคือคิดต้อเป็นา ง, งียบนะ ก็ทำเหมือนสัตว์นี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยอะใช่ไหมไม่ต้องนุ่งอะไรเลยคนสัตว์นี่มันไม่ัมนมันไม่เรื่องหรอกลองดิเอาเอากางเกงในเอาชุดว่ายน้าไปสวมให้สัตว์นุ่งนี่มันก็จะราคาญอยู่ดีเอาอะไรมาให้กูใสอีสระอะไรใช่หมห อิสระก็อิสระไปเลยไม่ต้องมีขอบเขตอะไรเลยไม่ต้องมีกฎหมายด้วยห้ามห้ามอะไรห้ามสมสูร่ระหว่างระหว่างพี่น้องด้วยกันหนิเรื่องอะไรจะมีข้อห้ามอ่ะคือถ้าเป็นคิดแบบนี้นะจบเลยนะมนุษย์จะไม่เป็นมนุษย์เลยนะซึ่งบางกลุ่มเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้นะเขาก็พูดแบบกลุ่มตะวันตกนี่มี กลุ่มที่เรียกร้องให้พี่น้องแต่งงานกันได้จะไปห้ามทำไมเพราะมีแต่บทบัญญัติแห่งศาสนาต่างๆที่ห้ามอย่างเดียวนะั้นศาสนานี่เขาไม่ยอมรับในศาสนาอยู่แล้วนครับสั่งสองไม่ยอมรับเห็นใจเอาแล้ บ, บางคนแต่เราก็ยอมรับจะให้ศาสนาอยู่นู่นอยู่ในโบสนู่น น, นห้ามออกมาใช้ในสังคม อยู่ในโบสจะไปคุยอะไรกับพระเจ้าเนี่ไปคุยนู่นน่นไปไกลๆยู่ไปคุยคุยได้ไม่ห้ามหรอกแต่จะเอาเรื่องของพระเจ้านี่มาใช้ในสังคมมานะไม่ได้นี่คือการปฏิเสธศาสนาอย่างสิ้นเชอนี่หรอกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกกับท่านนบีมูซากับท่านนบีอีซากับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าคําพีพระดารากของฉันเนี่ยเอาไว้ใช้ในโบอีกเดียวเป็นไปได้ไง อำนาจของ Allah เนี่ยจะอยู่เฉพาะในศาสนสถานแล้วมีเฉพาะในมัสยิดอำนาจของ Allah เฉพาะในแบงก์เนี่ยล l l a h ไม่มีอำนาจคาราโอเกะ Allah ไม่มีอำนาจแบงเนี่ยดินแดนเลยถ้าเขียนว่าคาราโอเกะสถานบันเทิงบอลคาสิโนนี่เข้าไปเนี่ยอ l l a h มีไหมที่นี่ไม่มีอย่างหรถ้าจะไปหา a ล l a h เนี่ยไปหนู่อีมฝังหนึ่งสุดเดา เขาอยากใ้สังคมเป็นแบบนั้นนี่คือการปฏิเสธองค์การอัลลอฮ์เหมือนกันแล้วการปฏิเสธเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอุบายต่างๆอุบายต่างๆที่จะเลี่ยมอัลลอ์สุบฮานะอกปิดปกปิดเจตนาปกปิดความจริงสัจธรรมที่มันปรากฏในคำสั่งสอน อายะ 21- ถึงอายะ24จะแสดงถึงสภาพของมนุษย์เนี่ยยำทุกยำสุขและองค์การของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาดะล่ตรงนี้ก็คือตัวความสุขและก็ความทุกขตัวความทุกและความสุขนี่คือองค์การของอัลลอฮฺคืออายะของอัลลอฮฺ ที่มายังพวกเขาการปฏิเสธกําหนดการของอัลลอฮ์สุบฮานาวดาลาที่ให้เขาทุกข์ให้เขาสุขเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทําให้เราป่วยและอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทําให้เราหนีหายนี่ผู้ศรัทธานี่คิดแบบนี้บริบทของผู้ศรัทธานี่ชีวิตของเขานี่มันจะบาลานซ์กันมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดจากอัลลอฮ์พอป่วยฮะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบ พอหายแล้วทำดืน ล, ล, ละมาอัลลอฮฺลลช่วยให้ฉันหายบริวารผู้ศรานี่มันมันมันเข้าหากันได้แต่ผู้บริสัทธาไอคนที่แบบว่ากั้ำกึงก็ได้นี่อาจจะไม่ได้ปฏิเสธร้อยปร์เซ็น์กั้ำกึงพอถูกทดสอบป่วยหรอมันโรคไปหาหมอไปหาหมอหาหมออีกไม่หายหาหไปอีกหมอในประเสธนี่ใช้ไม่ได้ไป หมอจากประเทศไปหาหมอจากประเทศวนี้หมอหมอเนี่ยปแพทย์จริงอะนะหมอหมอจริงนะไปหาหมอทั่วรล่องเลยไม่ได้ทางนี้หาหมอดูแหละเริ่มเพียนห้ยนี่แสดงว่าทำหมอทําอะไรไม่น่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรลึกลับไปหาหมอดูหาหมอดูหมอดูเนี่ยมันก็ต้องทนู่นทำนี่ทำนนู่นต้องเอาลูกปั้นมาจากเมืองจีนนู่มาทำนี่ทำหมดเลยเนี่ยที่นี่สั่งอะไรเป็นล้าน่ะทำหมด ไม่ได้เรืียงกันตัวใดจะทำอะไรองค์ขอไปทำอุบลหน่อยเนะียขออุทิศนี่นูกเนียเลี่ยมกอล้อเนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไม่ตรงไปตรงมากอล้ออัลลอฮ์อยู่อัลละฮ์อยู่ในบริบทอยู่ในสมองอยู่แล้วแต่ไว้ที่หลังปฏิเสธไหมปฏิเสธไหมเหมือนเรามีเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนเพื่อนรักเละเพื่อนตายเลยละ ถ้าเราเจอเกิดอะไรนี่นะเขาช่วยแน่นอนถ้าเราเจอเจอปัญหาในชีวิตนี่นะไอ้เพื่อนอยู่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเราไม่สนไปหาคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเบือยงตัวกับคนที่ไม่สนิทไปยอมเสียตัวกับใครแต่ใครที่ไม่ได้เรื่องเลยแล้วเพื่อนนี่เพื่อนนี่เป็นการปฏิเสธความเป็นเพื่อนไหมแค่นี้ยถือว่าปฏิเสธว่านี่คนนี้เป็นเพื่อนอนะเป็นเพื่อนช่วยอยู่แล้วแต่มึ่อไม่หันมาขอเพื่อนนะ่ะ อะไรแบบนี้อ <jud> ัลลอ์อย <bought> <ary> ู่ในใจแล้วนี่แต่อัลล์ไว้ไว้ทีหลังนี่ก็เป็นการปฏิเสธแล้วจะเรียกว่าเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตาละทดสอบเนี่ยเป็นองค์การเป็นอายะหนึ่งไงใช่เพราะคำสั่งคำสั่งที่อัลลอ์มีอยู่เนี่ยถ้าเจออะไรเนี่ยมาหาเาสิาะค่าล่ะบบุคุมุโดนีอัลสลิบลักุมที่จริงเนี่ยอาหรับชาวกูดิสิมการเนี่ยรู้กันแก่ใจว่าเรื่องดุอาเรื่อง ขอพรต่อพระเจ้านี่วิงวอนต่อพระเจ้านี่มันเป็นทางเลือกหนึ่งของเขาโดยเฉพาะยาวิกฤตเป็นทุกท่านอัลฮุซยนบิดาของอมรานอบุลุซยนสท่านนเชื่ออมรแลวก็บิดาของเาแล้วก็รับที่หลังนเป็นชื่ออัลฮุซนถามว่าฮุซน์นี่แกบูชาเจวิดบูชาเวิด หรือพระเจ้านี่กี่องค์เขาบอกว่าหกองคืออะไรที่เราเห็นกันนั้นสมยัยโนะ้ะมีหมดมีหมดเลยหกองสามข้างหน้าสามข้างหลังจนไม่รู้จะจะจะสมดุรยังไงเนี่ย แตเอ็มไปหมดเลยหกองค์น บ, บีถามแบบเปิดใจนะบอกว่าองค์ไหนล่ะที่วิกฤตแล้วที่ไปไม่รอดแล้วองค์ไหนล่ะที่จะขอโอนุน่นที่อยู่บนฟากฟ้าไมา่ใช่ที่ห้อยนะไม่ใช่ที่ดวงบนหิ่งนะบนฟากฟ้าข อ, ของจริงของจริงอารับนี่เขารู้เขา ร, ขรู้ของจริงของเอกเขารู้ แท่นั้นมเรื่องแปลกนะต ا ن ะาลได้พูดถึงการปฏิเสธของของเขายามที่เขาจะมีวิกฤตแล้วก็ไม่ไม่พึ่งพา a l ล a h และาลว่นี่นี่เป็นการปฏิเสธไม่เป็นเรื่องแปลกแล้วนะ وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرائع مسدهم إذا لهم مكر في آياتنا กุลิลลาหัอัสรอมักรอนน์รุูล้นาย كتب ุนมาทำกรุนอธิบายไปแล้วข้างต้นนี้พอเราอ่านนี่ยอาจจะเข้าใจดีกว่าถ้าเรามาอ่านทีเดียวเลยนะครับอ่านช่วงแรกเลยอาจจะนี่จะเข้าใจกระเจาะมากกว่าอิดะอัฎกนันนัสและเมื่อเราให้มนุษย์เนี่ยอิดะเมื่อเมื่ออักกน่เราให้นาสมนุษย์เนี่ย azaqna limrot رحمة า ا م د د د ي د ا และวเมื่อเราเห็นมนุษย์ limrot ความเมตตามิบัดีภายหลังจากพยันตรายได้ประสบกับพวกเขามิบัดีดระร้ามัศตุดระดระดระเนี่ยหมายว่าอันตรายความทุกข์ โทมาเสตหุมหลังจากที่มีอันตรายได้ประสบกับพวกเขาที่จริงเนี่ยอรักนี่ยว่าลิมลิมเนี่ยเราลิมลิมรสชาตินี้ใช้ไปลายลิมในการลิมนได้ได้ไดรสชาติละแต่นี่ก็เค็มไม่เค็มนแสดงว่าในความเมตตา ได้ความเม่ตาแม่แต่นิดเดียนะภายหลังที่ดรออัมมัสมัศตุหมพยันตาราได้ประสบอันนี้เขาแปลคําว่ามัศตุมประสบแต่ที่จริงเนี่ยมัสะแปลว่าแตะมมัศแตะภายหลังที่พยันตาราได้สัมผัสหรือแตะเขานิดหนึ่งหมายถึงว่าอัลลอฮฺกำลังบอกว่าพยันตรายที่อัลลอฮฺเนี่ให้ ให้ประสบกับคนหนึ่งคนใดนี่อันนี้ไม่จิดไม่จิดสุดความสามารถของอัลลอฮ์ในการลงโทษหรือในการทดสอบพวกเรานะมวยยี่สิบ ป, ปีอย่างเงี้ยอันนี้เรีกว่าแตกนะถูกทดสอบแล้วประสบความทุกข์แล้วแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้ลุกขึ้น ได้พบกับความเมตตาของ Allah นาจะขอบคุณ a l l a อถ้า إ ذ ม لهم م ك ีอ ي آ ي ا ت น ا ดังนั้นพวกเขาอีดาดังนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งประหลาดที่ปรากฏหลังจากที่เขาได้รับความเมตตาจาก Allah แล้วใช้เนี่ยพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การต่างๆของเรานั่งคุตตบีได้รายงานบอกว่า ชาวกรีกนีปฏิเสธนบีนบีก็เลยขอดอุทธรณ์ Allah ก็เลยทดสอบชาวกเรีเนี่ยให้ประสบกับความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งจนกระทั่งชาวกรีเนี่ยที่รู้กันแก้ใจว่าไอ้ความแห้งแล้งที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นการลงโทษที่นบีขอดุทธรณ์ต่อ Allah แต่ดูนะ เขามาคุยกับท่านนายบีบอว่าที่เราเจอนี่นะก็บพราะเจ้าเนี่ยท่านเนี่ยอุทานนอาให้อ AH AH ัลลอฮ์แช่งเราเนี่ยมาลงโทษเราเนี่เจอกับความแห้งแบบนี้เราหายหนะกเลยเนั้นทำโขตรตกลงท่านขอดูอาให้เรื่องนี้คลี่คลายแล้วก็มีฝนตกให้เราได้ได้มีเนี่ย ม, ม, มีริสกีนะแล้วเราจะยอมศรัทธาต่อท่าน ไอเนี่อุบายอุบายทําไมอ่ะเพราะอีตอนติดตอนดื้อและอัลลอฮ์ลงโทษนบีขอด้วยแล้วก็ลงโทษแล้วรู้แล้วกระใจว่าไอลงโทษดีก็มาจากการปฏิเสธของเขาอ่ะนะยอมรับแล้วอ่ะนะก็สมควรที่จะสะทายสะท้าแล้วมันลเราจะเราจะช่วยมันง่ายนิดเดียวแต่นี่อุบายของเขาอ่ะนะเหมือนจะมาหลอกนบีมันจะมาเลี่ยนกับนบีนะอาเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นบีเงี้น เราอีกทีหนึ่งนบีนขอดูอาให้ทุกอย่างดีขึ้นนะแล้วเราจะยอมศรัทธาต่อท่าละละอนอัลลอฮ์อุบายมันเล่นเล่นอุบายก็ว่าอิดะลฮุมักรุมฟีอัยาตินะอุบายเนี่ยนะมีอุบายต่อองค์การต่างๆขององค์การอยู่ไหนอะตรงนี้ไม่มีองค์การเนไงตรงนี้คืออะไรอะคือบทลงโทษ บทลงโทษที่ชาวบูได้เจอแล้วเขารู้แก่ใจว่าบทลงโทษนี้มาจากอัลลอฮ์นี่ไงที่ผมบอกว่าอภินิหารที่เกิดขึ้นจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะละเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากองค์การอันเป็นพระดํารักที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะละมีค่าเดียวกันรู้ว่าเรื่องนี้นี่มาจากอัลลอฮ์แต่ก็บริสิทธไม่ยอมรับก็เหมือนกับปฏิเสธคําสั่งสอนนี้มาจากอัลลอฮ์นี่หรือเคยดูอเมริกาหนิก็ไม่เคยเลิก ยูนิก้าไม่เคยเลิกแต่ไม่มีเรนเงกันกีกกันเนี่ยเท่าไอ้คนนี้จะมีอุบายกับอัลลสุบนะวะตาลอัลล์ก็จะมีอุบายแต่เขาไอ้เ่งนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ทรัมป์นี่นะประเทประทเกาตั้งใหม่เนี่ยทรัมป์นี่นะในสมัยแรกของทรัมป์นี่นะสนิทกับเนทนียโูมากเลยถึงขนาดเนตินียโรบอกขวาบอกซ้ายนี่ทรัมป์นี่ตามอย่างเดียว ให้ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลได้ไหมได้เลยประกาศเลยไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องผ่านสภาเลยออกคําสั่งจนกระทั่งยิวเนี่ยรู้รู้เลยว่าธรรมนี่คือคนสนิทของเราหนึ่คนที่รู้ใจเราคนที่จะช่วยเราเต็มที่และตอนที่ธรัมนี่เลือกตั้งในโอหาเสียงกันยิวที่มะเริกานี่หาเสียงพากันเลือกธรรมนี่เพราะไม่จะไม่เจอใครที่จะช่วยเรานี่ดีกว่าธรรม ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนี่ล่าสุดเนี่ยที่ทั้บอกว่าให้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยนะให้ทำก่อนที่จะฉันจะเข้าทำเงียบรับตำแหน่งพอถ้าหากว่าไม่ทำานี่นนะฉันจะทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นนรกเนี่ยเป็นยานนำเนี่ยทั้งพื้นที่เลยตอนนั้นนะคนบอกว่านี่เขาขู่ฮามาสเพราะเขบอกว่าเนี่ยฮามาสเนี่ยจะเสียหายนะ นักวิเคราะห์ชาวยิวคนหนึ่งเขียนในหนังสือพิมพ์ฮาร์สของยิวเนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยทานี่หมายถึงว่าถ้าทั้งยิวและฮามาสเนี่ยไม่ทำข้อตกลงกันมันจะกลายเป็นนรกีนหมายถึงวันทั้งหมดในรวมถึงอิสราเอลด้วยทำนี่ส่งตัวแทนเขาเนี่ยไปช่วยเจรจาแล้วก็ตอนเข้าไปเนี่ยคุยกันในเดนียโฮนะ ตัวแทนของทั้มเนี่ยเขาบอกว่าคุยใช้คําหยาคายและขค่มคู่ทั้มบอกว่าทั้มถ้าไม่มีข้อตกลงเนี่ยมึงเดือ ด, ด, ดร้อนนะตอนนี้เนี่ยชาวยี่บอกว่าเอตกลงเราดีใจที่ทั้มเนี่ยขึ้นมาเป็นพลเมืองแต่น่าจะเป็นน่าจะเป็นภัยสําหรับประเทศอิสุริยองอย่างแน่นอนอุบายของเราอย่างนึ่งอาจจะเป็นอุบายของเราอย่างหนึ่ง วางแผนว่าอย่างหนึ่งว่านี่พนันแล้วว่าทำเนี่ยจะเป็นคนดีสำหรับเราแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นก็ได้อุบายอุบายให้คนทั่วโลกเนี่ยพอได้ยินคําว่ากอดิดาได้ยินคําว่ากอดิดานี่อะไรกขึ้นคนลุกพอได้ยินคําว่ากอิคนลุกแล้วก็ขอกลายขอกลา ก้อยนอะก้อนรอยก้อยได้ก้รอยจกีเนี่ยกอยได้ก็อนรอยเนี่ยใครอ้างว่าเป็นกอยด้นี่เมื่อหลายปีที่แล้วใครอ้างว่าเป็นก็คุกอย่างเดียวนะไม่ต้องขึ้นศาลคุกอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยชาวโลกเนี่ยพากันไปกอดกอได้กันใหญ่เลยนะอบูมุ hammad อัลโนานีนี่เขาไม่ปฏิเสธนะผมเคยเป็นกอยด้นี้เคยเป็นกอย้ขึ้นแบล็คลิส แล้วมีรางวัลสิบล้านเนี่ยให้จับอเมริกาก่อนที่จะไปเจราจานี่นะลบลบไอร้รางวัลสิบล้านนะลบจากเว็บไซต์ของเซี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กอกกรา้ไรทำไมอ่ะคือเราจะไปพบคนแรกเนี่ยจะไปพบผู้กอกกระไรได้ไงไปแล้วเนี่ยต้องเป็นคนไม่ีกอกกรา้ไรไม่เชื่อนะครับนี่ผมผมเชื่อเนีว่า น, นี่คืออุบายของลัทธิ เขาว่าอุบายให้คนที่เกลียดมุจายดีนเกลียดเขาไม่เอาแล้วสุดท้ายนี่แม้แต่นคนนี้ชอบโจมตีโจมตีคนที่เค่งศาสนาไอ้พวกนี้นี่ไม่เอาอะไรนี่แค่ผู้หญิงนี่มันยังไม่ยอมสลามเลยแล้วทัพมณีต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องสลามไม่ได้เขาก็มาเขาก็มายืนเหมือยสลามทัฐมนณีฝรั่รงเศส แตถูกวิจารย์เหมือนกันนะนะไปสลามว่าต้งมีต่างต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่เป็นเกย <laughs> และวไม่ยอมสลามนะคือเราจะรู้ยังไงเป็นกลิ่นนะคนเป็นเกย์นี่จะมีกลิ่นนะไม่ไม่รู้หรอกก็ดูในเพศชายเพศหญิงมันก็จบแค่นี้เพราะศาสนานี่ตรงไปตรงมาแต่คนที่ไปเปลี่ยนธรรมชาติของอัลลอฮ์ในตัวเองอันนี้เราจะไม่รู้ไงรู้ยังไง จะเป็นไงแต่สรุปสรุปแล้วเนี <Maker Hebrew> ่ยผู้หญิงเขาาไม่สลามทำตามหลักศสนาและป็นเด็นไงนนะเพราะตัวเขาเองนี่อบูมุฮัมมัดอัลจูลานีนี่เขาเกิดจากสานักคิดซลาฟยาจิฮาดยานีคือแนวทางซลาฟที่เอาแนวจิฮัดปนกันซึ่งแต่เป็นแนวสางนี้ก็จะเข่งคัดเรื่องข้อปฏิบัติ รัฐมนตรีต่างประเทศของยูลานีนะ่ของซีเรียน่ น, นะก็เป็นมือขวาของดูลานีเป็นีกควานและตัวเขาดูตัวีกควานในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยเขายึดในทัศนว่าสัมผัสมือผู้หญิงเนี่ยไม่บาปคือโลกตัวนี้กำลังตะลึงกันอยู่ไง ว่าเอาเราเข้าใจคนเค็งศาสนาเข้าใจกันผิดกันหมดเลยเพราะอะไรก็เพราะพวกคนถูกเย็ดเย็ดมีคนมาเย็ดเย็ดให้เข้าใจว่าสรุปสรุปมุสลิมคนเค็งในเรื่องสลามผู้หญิงเรื่องเขาเรื่องสรุปแค่นี้เรื่องอื่นเนี่ยไม่ต้องมองเลยพวกคุณไม่ถูกหรอกปรากฏว่าชาบานีเนี่ยเป็นนักธงติดต่างประเทศของของซีเรียนะนะก็เข้าเหมือนกันแต่เขาเบากว่ า, วาวของยูลานี่หน่อยก็กลายเป็นอิควาน ไปเรัฐมนดีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็จับมืออธิบายไม่ง่ายนะครับว่าเขายึดในทัศนิยมว่าจับมือผู้หญิงเนี่ยไม่บาปมีในทัศนะก็มีแต่ทัศนะส่วนมากนี่บอกว่าบาปถ้าถ้าผู้หญิงเนี่ยเป็นไม่ไม่ใช่มหารมด้วยกันะบาปอัฮัมมัจโญลานี่เนี่ยเขายึดในทัศนนี้ก็ปฏิปฏิบัต์ตามทศนิของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย มีนักร้องยิวคนหนึ่งที่อเมริกาหรือประเทศไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีผู้นําประเทศนา่นนนนาจะเป็นไบเดนเนี่ยไปพบกับนักร้องเป็นยิวผู้าาหญิงเนี่ยเป็นยิวยิวเนี่ยก็มีทัศนนี้เหมือนกันน่ะผู้หญิงเนี่ยไม่จับมือผู้ชายผู้ชายไม่จับมือผู้หญิงแต่อันนี้เนี่ไบเดนเนี่ยเสียหน้านะหรือผู้นําประเทศของจะไม่ได้ว่าเป็นใครพอยื่นมือสลามเนี่ผู้หญิงนี่ไม่สลามไม่ไม่ไม่จับมื อ, นนนน อ, มม อ, อ ไ, อ, อ, ไ, ไ, ไ, ไอ้อตอนนั้นน่ะ สื่อทั่วโลกเนี่ยวันี้ไงนักร้องนักร้องยูนะ่ะเขาเาเขาคล่งศาสนาปฏิบัติมีจุดยืนเพืเชิญชื่นชมอะชื่นชมนีไงคนยินหยัดในศาสนานี่ในสังคมโลกต้องการคนแบบนี้อนะแต่ที่มุสลิมทำแบบนี้มาไง น, นี่คือเนี่ยเธอคลึงคัดเกินไปแล้วเธอเป็นอย่างนี้ตลอดที่มุสลิมอะนี่คุมหยาบคุมหน้านะเป็นยังไง ดาดาเล็ตไม่มีชิ้นดียวอ๋อผมมารูแล้วนี่อ๋อคริสก็มีคุ่มิจฉามีปิดหน้ายิวก็มีคุมิจฉามีปิดหน้าคริสนี่น่ะมีลถที่ที่อเมริกาทุกวันนี้นี่นะแต่งงานผู้หญิงสามสี่คนห้าคนยังได้เลยมีมีใครไปว่าอะไแต่ไม่ได้แตะไม่ได้เลยนะครับแต่ดีมุสลิมโอมุสลิมมุสลิมแต่งงานสี่นไหมใช่ไม่ได้ องการบุอลลอห์นี่ไม่ใช่เฉพาะตัวอาญาเนี่ยที่เรากำลังนี่มีองค์การอัลลอแต่เนื้อหาขององค์การอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์ลงททษแล้วจงสํานึกนี่คือเนื้อหาเราเจอบททดสอบแล้วเนี่ยเราต้องสํานึกชาวซาลาฟเดมบอกว่าเราอย่าทําเหมือนเดรฉ า, านบางส่บบวนเก็อย่าทำเหมือนอูดอูดนี่นะเป็นฐานะที่แบบว่า อย่างเดียวผูคอมัดคอแล้วกัดลากไปในลากไปไห น, ไไหนอูนี่มันไม่เคยถามนูกูพาพามึงพากูไปไหนบอกคนอูนี่ไม่เคยถามเลยนะเช็นไหมพอเจ้านายบอกว่านั่งอูนมันก็นั่ ง, องเอารุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นอูนี่แบกเนี่ยเป็นร้อยกิโลนี่มันก็แบกไม่เคยบุกพอแล้วพอแล้ว ซาลามีเขาบอกเบียร์ทำเหมือนอู่นนะมันไม่รู้หรอกนั่งเพราะอะไรยืนเพราะอะไรวิ่งเดินไปไหนถูกผูกคอที่ไหนถูกปล่อยเชือกที่นันไม่ไม่รู้หรอกมนุษย์เบียร์ทเหมือนเขาป่วยป่ว ย, ว ย, ว ย, ว ย, วยทไไําทไมหายป่วยทําไมหาป่วยได้ตังมาทําไมได้ตังหายทําไมหายโคกระล่มรถชนทําไมอ่ะทําไมทําไม ต้องถูกชนวันนี้ทําไมต้องสะดุดวันนี้ทําไมต้องทําไมต้องป่วยต้องเจอแบบนี้เนี่ยเรต้องถามตัวเองชาวมักกะนี่เนี่ยเจอแห้งแล้งนี่ทั้งทั้งตำบลเลยนะและ้วก็มีขอ้อพิพาทระหว่างเขากับท่านนาบีแล้วมีการพิสูจน์ความสามารถของท่านนาบีเรื่องดูอาอันบีแชงเขาเนี่ยเขก็เลยเจอแบบนี้ก็ไม่คิดอัลลอฮฺจึงบอกว่า อีกหลายคนมักรุมฟีอ้ายตินะนั้นพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การต่างๆของเราจะหาว่าอัลลอฮ์มีอุบายเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะหรือเป็นฉายาที่ควรอ้างถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอุบายอย่างนี้ได้ไหมฟังให้ดีพระนามและคุณลักษณะอัลลอ์่มีอยู่สามประเภทจำาให้ดีนะ หนึ่งประเพิีแรกเนี่ยคุณลักษณะและพระนามบวกแง่ดีอย่างเดียวไม่สามารถตีความอย่างอื่นเลยว่ามีลบหรือมีอะไรที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวเช่นคุณลักษณะกุศลเดชานุภาพความสามารถอ AH. ัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงมีพระนามอัลกัดิรอัลกดีร ทรงอนุภาพทรงเดชาอนุภาพอันนี้เนี่ยที่ความอย่างอื่นไม่ได้เลยตีความว่าเอออัลลอฮฺทรงอนุภาพทรงเดชาอนุภาพหมายถึงว่าเฉพาะที่ฟากฟ้าเฉพาะบางพื้นที่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นความหมายของพระนามและคุณลักษณะที่อุลมามะได้บอกว่าแง่บวกอย่างเดียวแง่ดีอย่างเดียวอันนี้นี่นะ ทุกคุณลักษณะและพระนามในธํานองนี้เนี่ยนะเราอ้างถึงพระเจ้าได้อลไรล่ความรอบรู้กุรเดชานุภาพแต่มีคุณลักษณะบางอย่างเข้าใจได้ในแง่ลบอย่างเดียวเช่นความอ่อนแออัลลจความอ่อนแอันนี้เราจะอ้างถึงอะไรได้ไหมไม่ได้ดยวด็ดขาดเลย โดยเด็ดขาดเลยเป็นเรื่องตำมีเราจะมาอ้างว่าเป็นพรนามอง Allah หรือมีคุณลักษณะของ Allah เด็กอก Allah ละอายจีสผู้อ่อนแอก็ใชุ่กนจะอ้างขอ Allah เอ่ยไงอ่ะเพราะศาสนาที่ถูกบิดเบือนเนี่ยมีแบบนี้ในตาร้เนี่ยคำพีเก่าของยิวในนี้พระเจ้านี่ลงมาสู้กับอิบลิสเล่นมวยปลกับอิบลิส แล้วสุดท really ้ายนี่ใครชนะอิบลิสเนี่ยวันเวลาี่การอัลลอฮ์อัมรุอิบลิสเนี่ยมัวเบาที่อัลลอฮ์นะนับประดุ๊กอัลลอฮ์ได้นี่เดี๋ยวรอถึงว่าในศาสนาอิสลามนี่เพื่อป้องกันเรื่องบิดเบือนอะไรเรื่องเรื่องเรื่องสมองสมองเฟคของมนุษย์แท้ๆเลยนี่ยใคร และก็อ้างว่าเป็นเตาร้อนเนี่เป็นพนนระดำรอลนี่ได้ไงในหลัการีดหน้าของเรานี่ขึ้นงวดในเรื่องนี้อะไรที่เป็นเป็นข้อตําหนิเนี่ยจะมาอ้างว่าเป็นคุณลักษณะเป็นพระ น, มนามขอลร้อนนี่ไม่ได้โดยดิดขาดอาจจะถึงขั้นตกศาสนาด้วยนะถ้ากล่าวถึงอ AH ัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เงี้ยลบแต่มีคุณลักษณะและพระ น, มนามของร้อนบางอย่าง มันไม่บวกเสมอแล้วก็ไม่ลบเสมอมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่มิติเช่นศัตรูวางอุบายให้เราแต่เราเนี่ยสู้อุบายไม่ได้ทำอุบายหรืออุบายของเราเนี่ยสู้ศัตรูไม่ได้อันนี้จะเป็นเรื่องอ่อนแอใช่ไหมแต่ถ้าอุบายของเราเหนือกว่าอุบายของเขาเนี่ยการที่เรามีอุบายนี่นะมันจะไม่เป็นลบแหละ เราก็จะพบว่ามีสิฟาตคุณลักษณะของอัลลอฮ์นี่บางอย่างอุลามเขาเรียกกับสิฟัดทูลมุกบละสิฟัคุณลักษณะมุกบัละตอบโต้มันเป็นคุณลักษณะโ้ตอ บ, ตตอบกับการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้มีในคุรอานเยอะที่อาจจะมองว่ามันเป็นคุณลักษณะที่มันไม่บวกเสมอนี่มันมีลบใช่แต่ในกรณีนี้เนี่ย ไม่ลบบวกเช่นเนี <parasite> ้อ <can ving> ุบายก็คนที่วางอุบายต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องมีอุบายสิเพาด่ากว่าเขามีอุบายแล้วอัลลอ์ไม่มีอุบายอ่ะจะถือว่าอัลลออ์อ่อนแอใช่ไหมอินนยคดูนเดวดูเคนดอมฮิลกาฟรีนมฮิลฮุมรยเขาจะมีอุบายเขาจะมีแผนใกล้ในพีแผน ว่าขี้ดูไกลแดละฉันก็วางแผนของฉันนิี่มันเป็นคุณลักษณะคุณลักษณะตโต้กันน่ะย uh ah um ุคอดิอุนอัลลอฮวาหัวคอดิอุมขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์ขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์แต่ที่จริงเนี่ยอัลาลอฮ์หลอกลวงเขาเสียก่อนนี่หลอกลวงอย่างเดียวนี่นะมันอาจจะลบ เราจะบอกว่าอัลลอฮ์นี่มีพระนามอัลมุฮัตยหลอกลุงไม่ได้อันนี้ลบแต่เข้าม่าลอกลุงอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นี่ทันเขาอัลลอฮ์ลักลุงแต่อุลามบางคนบอกว่าอันนี้นี่มันไม่ใช่คุณในลักษณะของอัลลอฮ์ตัดประเด็นเลยมันมีมันมีแง่ลบตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณในลักษณะของอัลลอฮ์แต่มันเป็นมันเป็นสำนวนที่จะโต้เขาในเนื้อหาที่เขาทำแบบว่า เขาทําอะไรเขาอุบายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อัลละฮ์ก็จะอุบายเขาอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นการโต้ด้วยคุณลักษณะอัลลอฮ์ไม่มีไม่มีคุณลักษณะใดๆที่มันมีลบแม้แต่น้อยไม่มีแล้วเราจะไม่ใช้ใช้เพื่อตอบโต้เขาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับคุณลักษณะอัลลอฮ์ทั้งสองทัศนะนี้นก็พอรับได้พอที่จะมีความเข้าใจได้ถ้าเราตรวจสอบคําว่า อิาลหุมมะกรุงเฟียยาเจนนอดังนั้นพวกเขาก็มีอุบายต่อองค์การของเราจงกล่าวเถิดอ้มุมฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงรวดเร็วยิ่งในการแก้อุบายอัสร้าอัสร้ารวดเร็วกว่าซารียรวดเร็วกว่ามักกาการที่มีอุบายเอัลลอฮ์มีอุบายที่รวดเร็วกว่าเขามักรเนะมักการกิริยามักการรักษามักการเรกว่าปกปิด กูหิบยืมรากสับของมันนีมากระรับไปว่าแปลว่ า, ป, วาปกปิดชาวนาที่ไถนาที่ที่ปลูกพืชเนี่ยเขาจะใช้คานี้กับชาวนามากกะรามากกะราชาวนานี่มักกะระปกปิดปกปอะไรปกปิดเมล็ดเพราะชาวนานี่ต้องเอาเมล็ดเนี่ยมามาฝังในดิน พอเราดูบนดินนี่มีเมล็ดไหมไม่ดิเมล็ดมันต้องอยู่ใต้ดินเด่๋ยวจะได้ขึ้นเหมือนคําว่ากาฟรากาฟระแปลวปกปิดเหมือนกันแล้วเราเรียกเรียกชาวนาที่ปลูกพืชเหมือนกันน่ะกุฟาร์โยิบุซุร์ราลียกีรบิฮิมุลกุฟารกุฟารตรงนี้ี่ไม่ใช่ผู้ปฏิเสธทานะไหยอันนี้หมายถึงว่าชาวนาที่เขาเอามาล็ดนี่มามาฝังใต้ดินเพราะเขาปกปิดเมล็ดแี่ย จึงเรียกว่ากาฟต์กาเฟต์นี่ตรงนี้เขาปกปิดเช่นเดียวกันมักกราไปว่าปกปิดคนที่มีอุบายเนี่ยเขาต้องปกปิดอุบายใช่ไหมเออไม่งั้นถ้าเปิดแผนของตัวเอง้ามาดูแผนมันไม่ใช่อุบายแล้วไม่ฉลาดแล้วฉะนั้นเรามองในแง่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลบมันไม่ได้ลบอะไรมากอรัเพราะ a า l a h ปกปิดแผนของพระองค์เพราะอะไรเพราะ จริงแล้วของอัลลอฮ์สุลฮานาอวตาร์ ว, ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางแผนไว้สําหรับคนที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ปฏิเสธไม่มีใครสามารถเดาได้ว่าอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ Allah นี่จะทาําอะไรกับเราไม่มีใครรู้จะรู้ยังไงแต่ในสิ่งที่อัลลอฮ์สุลฮานาอวตาร์จะทํากับผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ได้กว่าอุบายไงสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเนี่ย จะไม่ได้กว่าอุบายนันในฐานะนักดีพระเจ้าเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเราจะเรียกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้วางแผนไว้สําหรับโลกนี้เราเรียกว่าอัลกัฎะะอัลกัดัรกฎสะพาวะอัลลอฮ์ก AH ำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนี่มันเหมาะกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆอัลลเป็ uh นผู้กําหนดกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างแต่สําหรับคนที่จะมาเลี่ยมกับอัลลอฮ์หรือจะมามาทํา มันเล่นแหนกอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ก็จะใช้คําที่เป็นเชิงตำหนิอะัลลอฮ์ก็จะปกปิดแผนของอัลลอฮ์เนี่ย น, นี่ยะรดีกว่ามะการับแปลว่าปกปิดแผนของอัลลอฮ์มีอุบายมีแผนเพราะอุบายนี่มันจะเชิลงล้เนี่ยเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแผนทําลายอุบายอ่นะเป็นแผนทําลายมันไม่ใช่แผนดีอ๋อคนนี้เนี่ป่วยแล้วผมมีอุบายเขาหายป่วยผมไปใช้กันอุบายให้หายป่วยมีไหม เราไม่ใช้ก e ันดิอุบายนี่สําหรับเรื่องน็อกอย่างเดียวนะน็อกอย่างเดียวนี่ฉันมีอุบายให้มันล้มทีหนึ่งลุกไม่ได้เลยอุบายใช่ไหมอัลลอฮ์ก็จะใช้กับใครใครที่จะมีแผนปฏิเสธอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์มีอุบายเตี่ยมแล้วสําหรับคนพวกนี้น็อกเลยกูลิ่นละหุอัสเรามักรอัลลอฮ์รวดเร็วกว่าในการมีอุบายเพราะฉะนั้นดูอาบทหนึ่งในบันทึกของอิหมัมอิบヌมะจ์เชื่อไหบานี้บอกว่าเป็นห a d i s ซูฮีย์ ท่านนาบีสั่งละลาอุนสั่งละมคยกหาดูะวันคุรลีวะลาทัมคุร์อาลัยะอัลลอฮ์ได้โปรดให้พระองค์ได้มีอุบายเข้าข้างข้าพเจ้าและแได้ดโปรดอยา่าให้มีอุบายให้ใอ้พระองค์ท่านเนี่ยมีอุบายในการทำลายข้ า, ขาพระองค์วักุรลีวะลาตัมคุรอาลัยะ ลีเหม า, าอุบายนี่เข้าข้างฉันจะได้เอาชนะศัตรูของฉันแต่อย่าให้อุบายนี่เป็นการทำลายฉันเพราะฉันก็จะกลายเป็นศัตรูของ Allah เพราะ Allah จะไม่มีอุบายทำลายนอกจากว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นศัตรูของ Allah س และจงไม่แปลกนะครับคว่าอุบายนกับ Allah ละจริงไม่แปลกนะครับที่คำว่าอุบายนี่กับ Allah ลนะไม่แลนะี่ค่อุบานี่ับ a l ะิงไม่แปนะครับี่าอนี่ัละมนะครับที่อันีกัละงมนรที่คำาอุายีลิงมนรที่คอานี่กับ a l l ข้อข้อว่าด้วยสิา่าศคุณลักษณะของล l l a h หรือพระนามของ a l ุ a h س ب า ا ن อัลลอฮฺนี้เราก็ต้องพูดเพราะเพราะ <c oughs> มันถูกเอ่ยมาในอ า, ายะนี้อุลูมุฮัมมัดต้งตอบต้องตอบบอกเขาว่าุอัลลอมักรอ Allah ทรงรวดเร็วยิ่งในการแก้อุบายความรวดเร็วในการแก่อันนี้ต้องอธิบาย สตูรู้ของ Allah นี่วางแผ่นไว้ยังไงและ Allah วางแผ่นไว้ยังไงความรวดเร็วนี่นะเราจะไม่วัดด้วยความรู้สึกของเราแต่ไม่วัดด้วยความรู้สึกเ ร, เราต้องมองถึงบริบทหลายอย่างถ้าเราอยากจะวัดนะเร็วขนาดไหนต้องมองบริบทหลยอย่ายกตัวอย่างประเทศฮอลแลนด์ เป็นประเทศที่มีนักคิดนักกนการเมือง <c oughs> ที่ต่อต้านอิสลามอย่างน่าเกียิออกมาสนับสนุนคนที่เขียนคนที่วาดการ์ตูน ล, ลบหลู่ท่านนาบีที่เดนมาร์กฮอลแลนด์นี่ก็ออกมาสนับสนุนมาปกป้องเขาจัดรางวัลจัดประกวดเอาเอาภาพลอ้อล้อเลียนท่านบบีนะัมามามาเปิดเผยที่ฮอลแลนด์อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มีนักการเมืองมีพักการเมืองขวาจัดอยู่พักหนึ่งต่อต้านนี่ทั้งหมดเนี่ยที่เดนมาร์กที่ฮอลแลนด์หรือประเทศไหนต่างๆลบหลู่อัลลอ์ลบหลบู่านบนนบี ล, ลบหลู่ศาสนานีถ้าอัลลอ์นีใช้มาตรการของประชาชาติยุคกอ่อนรู้แล้วสัจธรรมแล้วก็ยังจะมาทำทำตัวแบบนี้นี่นะเป้งเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้ลงโทษเฉะพาะคนที่ทำนะ ทั้งเมืองเลยกลุ่มชนสมุทรเนี่ยของน บ, บีซอลเลนี่นะเป็นกลุ่มชนใหญ่ประชากรนี่นับพันคนเขาอาศัยอยู่สลักบ้านในในภูเขาทุกวันนี้ก็ยังอยู่นนเมืองก็ะเนมาด้าอินซอลหละมาด้าอินเมืองดังๆใหญ่มากความที่เขาความที่เขาอลังการนะี่ยนะ เอาก้อนหินเนี่ยมาตัดก้อนหินนี่มันยังจะง่ายกว่านะตัดเอาก้อนหินนี่ตัดมาแล้วก็มามาสร้างบ้านมันน่าจะง่ายกว่านะเหมือนชาวบ้านทั่วโลกเนี่ยก็จะทำกันแบบเนี้ยเอาก้อนหินก็มามามามาเป็นบ้านเนี่ยไม่ความอลังการความท้าทายของเขาสลักบ้านในภูเขาขุดในภูเขาเลยให้ภูเขาตั้งรูปเนี่ยเป็นบ้านเป็นวังของเขาไม่พอนะกูโบ ฝังนีนในภูเขาไปเลยดิความที่เขาท้าทายอ่ะความนี่เขามีความสามารถนะอันนี้มีซอลนี่พอมาบอกว่านี่ฉันในมูร์สูน ล, ล, ะละเยอะละฮะอะไรเพราะเขาเขายิ่งใหญ่อยู่แล้วเอาอะไรมาพูด ม, มีมีหลักฐานอะไรไม่ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้าของตัวเองมันขนาดไหนก็บอกว่าเนี่ยจะมีอูตัวหนึ่งใหญ่ สามารถดื่มน้ำในบ่อ น, น้ำนี่วันหนึ่งดื่มน้ำตัวเดียวแต่น้ำนมของมันนี่สามารถเลี้ยงทั้งเมืองได้เลยฉะนั้นทำาข้อตกลงไม่ล่ะพวกเจ้าจะได้เห็นนะ่ะว่าโน่นนี่ทำได้เราจรึงให้มีอูดบางเรื่องบางเบาก็เกิดมาจากก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นอูด โอ้โหเธอถ้าบ้านเรานี่ถ้าปานนี้เนี่ยถ้ามีอูดเกิดไม่เยว่าอูดนะนะถ้าหมูหมูเด้งเกิดจากจากก้อนหินหนึ่งเนี้ยปานนี้เนี่ยโหเนี่ยมาขอหวยกันทั้งประเทศเลยเนะไม่เหลือเลยนะนี่อูดมาอูดตัวใหญ่ขนาดไหนเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถน้ํานมนี่สามารถเลี้ยงทั้งเมืองเลยอะ่ะแล้วก็ยังดันที่ฆ่านี่นะคนเดียวชีกุดาร์อับดุลลิฟ เาชุบวางอุบายเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบสามคนสิบสามคนในประชากรนับพันคนนะเพียงสิบสามคนที่วางอุบายแล้วคนที่จับเชือดมีคนเดียวนะแต่เราลงโทษทางเมืองทําไมอะ่ะเพราะทั้งเมืองนี่มันรับเม่เสรจแล้วมันรับข้อมูลแล้วมันส่งไลน์กันนะว่าจะฆ่าแล้วน่าจะเชือดอูดแล้วนะ อ่าเขาก็ได้ส่งสติกเกอร์นี่โอเคโอเคอันนี้เที่ยบให้รู้เออเราก็แบบนี้ไงเห็นด้วยเห็นชอบก็ถือว่าทำบาด้วยเห็นชอบไลค์ใช่ไ้ quotes, ยไลค์โพสรูปผู้หญิงเนี่ยโพสรูปเขานี่บาปแล้วนะแล้วก็เราแค่ให้กำลังใจหน่อยแหมเป็นเพื่อนห้งเรียนด้วยกันไลค์หน่อย ร่วมด้วยปาด้วยอ่ะบมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้โพสต์แต่แค่ชี้นิ้วชี้นิ้วอย่างเดียวอนะบาปไปด้วยหรือใครทําบาปอะไรสักอย่างหนึ่งในโซเชียลเนี้ยแล้วเรานี่ยไปไลค์แค่ไปไลค์อย่างเดียวคือที่จริงเนี่ยแค่เปิดแค่เปิดแล้วก็ หยุดนิดนึงแล้วก็ไม่อาดีกวไม่เอาดีกว่ า, า, วาแค่นี้ก็ยังยังมินเมย์นะไม่มมมรู้ได้บาปนับไปเรื่องก็ยังไม่รู้นะอัลลอฮฺอัลลอนะแต่นี่เข้าไปแล้วดูแลว้วบางทีก็ไม่ดูนะบางทีก็ไม่อยู่ในภาพอ๋อเพื่อนกูเองอืมไหลไปก่อนทําไมอ่ะดูเจอที่ห้องบอกว่าทําไมเห็นแล้วไม่ไหลเป็นเรื่องอีกอ่ะ กลัวคนเราไม่กลัวเลากลัวคนที <ml> ่ท <ml> ําบาปล้วไม่กลัวเลาที่ห้ามบาปอินนารุสูละนายะกทบูณะมาทำกุรูนอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดามาลอลก่ะของเราจะบันทึกสิ่งที่ที่พวกท่านกําลังทําอุบายอยู่มาเลก่ิก็แล้วลี่จริงเราเรารู้สูลนาทูดของเราเราสูลทูดไง ทูของเรากําลังมาทึกอันนี้หมายถึงว่าอัลฮัฟซาหรืออัลฮัฟซมละที่บันทึกมลงะที่อยู่รอบตัวเราบางศาสนบอกว่ามลงะที่บันทึกความดีชีรกีบมละที่บันทึกความความชั่วชอาตี บ่านก็เสนอว่ารักีบอัตยิดในอายะนี่อายะุลกาวนี่ไม่หลีกหัวจา ل คำอ ي ่นอีกแล้วท่านก็จะเห็นว่าท่านพูดสักคำหนึ่งสักวาจาหนึ่งว้นแต่จะมีจะมีรักีบอัตยิดรักีบหมายถึงผู้เฝ้าดูอัตีิดหมายถึงเข้มแข็งอาจจะเป็นลักษณะของมาเลย์กะทั้งหมดเลยที่บันทึก ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ฉายาของมาเลย์ก้าก็ได้แต่อุลลมาบางท่านบอกอ๋อนี่นี่คือชื่อของมาเลย์ก้าเลยรากีบและกางอติดแต่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีมาเลย์ก้าที่บันทึกไหมมีมาเลย์ก้าที่บันทึกความเหีแล้วก็แล้วก็ความแล้วก็ความชั่วนี่อัลลอฮฺบอกอินนารุสุแลน่ายากถูบูน่ะเขาบันทึกอยู่บันทึกอยู่ถูกบันทึกแล้วบางอย่างนี่นะ คือเราต้องต้องต้องทราว่าความละเอียดของมาเลกาที่จะบันทึกเนี่ยเขาจะไม่เข้าข้างแล้วก็จะไม่อธรรมนะอะไรที่เป็นบาปนี่ก็ต้องบันทึ ก, กว่าเป็นบาปอะไรที่มันเป็นบุญเนี่ยก็บันทึกเป็นบุญฉะนั้นอะไรที่เราจะเข้าข้างเราน่ยอนี้ไม่ใช่บาปเนี่ยอันนี้อย่าเอามาตรฐานของเรามาเป็นที่ตั้งอย่างที่ผมบอกกันเนี่ยเขาโพสความชั่วเราไม่ได้โพส เราไม่ได้โพสแล้วบางทีเราก็เราก็ไม่ได้คอมเมนต์ว่าเห็นด้วยแต่เราแค่ไลค์อย่างเดียวอ๋อแบบนี้ผมก็บาปด้วยเหรออันนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะถ้าเราออกมาจากการของเราในสงสัยนี่ขึ้นศาลนี่ก็ถือว่าถือว่าเห็นด้วยแล้วศาลมนุษย์นะก็ถือว่าเห็นด้วยแต่บางอย่างเนี่ยเนี่ยที่คือต่อกรณ์นู้นนะ่ะชาวสาลับเนี่ยเขาก็จะนั่งคิดกันแนละ้วก็าบางอย่างนี่ ไม่รู้ว่าจะถูกบันทึกเป็นความชั่วหรือเป็นความดีเช่นเตาอุสถูกทำเตาอุสลุกเสด็จหนาบัสถูกทำคนคนดานี่ป่วยนะคนป่วยนี่ป่วยนี่พูดอะไรอ้อ้ออ้ยมาเลกาจะบันทึกยังไงมาเลกาไม่ได้บันทึกว่าอ้อยอ้ยไอนะไอ้นะ ม่อก็ต้องมันตึงห่วยโอ้ยเนี่ยมันเป็นบาปหรือเป็นบุญคิดว่าเป็นบาปหรือเป็นบุญอุลยมาบางท่านมีถูกถามเรื่องนี้เขาบอกก็ไม่รู้ไม่รู้อุลยมาบางท่านบอกว่าถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยฉันสัญญาพอได้ฟังพระตวัวอุลยมาผมไม่รู้ ตกลรองอยเนี่ยมันเป็นบุญหรือเป็นแบบถ้าไม่รู้ฉันสัญญาว่าถ้าฉันป่วยแล้วเนี่ยฉันจะไม่ออกเสียงเลยกลัวกลัวว่าถ้าออกแล้วถ้าเป็นบาปล่ะยุ่งเลยนะโอ้ยกันมากี่กี่ครั้งแล้วล้มทีหนึ่งเงีนะล้มมอเตอร์ทีหนึ่งอุ้ยอ้ยเอ้อ้ยเอ้อ้จับจไอ้ทั้งหมดนี่ไอ้ทั้งทั้งหมดนกเรื่องเป็นบาปหรือเป็นบุญ หัวเราะก็เหมือนกันขำ้็เหมือนกันหัวเราะจะเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ก็แล้วแต่งั้นบีระวังที่สุดเนี่การนัุลลดภัยที่ฮเธอเบสซูมาการหัวเราะของนั้นนบีโซนั้นคือยิ้มปลอดภัยที่สุดแต่เบสซูหมายว่าถ้านบีถ้าหัวเราะจิงนะนะหัวเรานี่โดยที่แค่เห็นลิ้นอย่างเดียวไม่ใช่หัวเราะนี่จนจนเห็นลูกกระเดือกกันเหมือนบางคนในหัวเราะนี่จนเห็นลำไส้ ทุกอย่างต้องต้องสุขุมนะกับเราเพราะเราไม่ร ah ู้เนี่ยไอ้หัวเราะนี่มันมันมันเป็นโทษและเป็นคุณสําหรับเราวันกร้นก้นมันเกอยู่สรุปแล้วของอายาเนี่ยเราซื่อตรงกับอัลลอฮฺ سبحانه และเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ซื่อกับอัลลอฮฺ سبحانه และนี่อัลลอฮฺจะมีอุบายที่จะจัดการเรา แล้วจะซื้อ all all all the Allah ยังไงซื้อกับ Allah سبحانه และ تعالى ยังไงต้องไปต้องมาว่าเรารู้กันกค่ใจว่าล l l a h سبحانه และ تعالى ทรงรับรู้ทรงเห็นทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างความลับเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นความลับต่อมนุษย์เนี่ยคนโน้นไม่รู้หรอกฉันมีอะไรคนนั้นไม่รู้หรอกว่าฉันคิดยังไงคนนั้นไม่รู้ว่าฉันมีอุบายฉันมีแผนยังไงใช่เนี่ยมนุษย์ไม่รู้นี่เราโกหกมนุษย์ได้เราหลอกมนุษย์ก็ได้แต่กับ Allah سبحانه และ تعالى ยังไงท้องซื้อท้งกับ เราอาจจะโกหกกับมนุษย์โกหก र र न, หกับภรรยากับสามีกับเพื่อนกับใครก็ได้โกหกบางทีนี่ก็เลิกโกหกก็ไม่ได้ ए. แต่พระมาถึงอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาดาระยะโกหกเพราะมาคุยกับอัลลอฮฺ Allah, ประารุกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์วาดาร์เราต้องเปิดเผยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปปกปิดอัลลอฮฺสุบฮานาห์วดะเราวิธีที่ดีที่สุดนี่คืออะไรคือสารภาพสารภาพอย่างเดียว เฉะนั้นเจ้านายของบทขออภัยโทษต่อล l l a h ที่นบีเรียกว่า سيدulistغفر นนั่นในสำนวนบทเนี้ยว่าอับูอูบิดัมบีข้าพระเจ้าขอสารภาพในบาปที่ข้าพระเจ้าได้ทําไว้นี่นี่คือความซื่อตรงกับอัลลอฮ์ سبحانه และนี่คือเหตุผลเพียงพอที่จะให้อัลลอฮ์ سبحانه และก็เห็นความซื่อตรงของเราอะนะอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยได้เราต้องซื่อตรง เหมือนเราเนี่ขึ้นศาลหรืออยู่กับเจ้าหน้าที่นี่เอ็งทำเบาไม่ทำเอากล้องมาอบอกกล้องมาแค่นั้นหละขาสั่นเลยเอากล้องมาแค่นั้นแหละต้อ็งอย่างนี้ใช่ไหมเพราะไอ้เราก็เผื่อไว้อ๋อเผื่อกล้องมันเสียเผื่อเผื่อกล้องไม่เสียนี่แหละแต่จมน้ำเหมือนบางที่นะ กำนันนกอรนัก้ อ, องเต็มหมดเลยนะแต่ไปเอามาจากคลองนะคนไปทิ้งในคลองนะเราเผื่อไว้อะไรหลายอย่างนะเออปฏิเสธไปก่อนเนดะีเผืมีทางออกแต่สำหรับอ AH นะัลลอ์่ะสำหรับอัลลอฮนีตจนซอยตันเลยนะไม่มีฉันไม่ได้ทำอัลลอฮ์บอกว่ามีพยานะบอกว่าจะเป็นพยานะฉันก็ไม่ยอม องจรปิดเนี่ยก็ไม่ได้ความดื้อ น, นะอันี้เนทุก์ทบุคคลีฉันจะต้องมีพยานจากตัวฉันเองคนอื่นจะมาอ้างว่าฉันทำนี่ก็ไม่เชื่อเห็นก็ไม่เชื่อแล้วพระองค์บอกว่าจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อยข้าพเจ้าไม่ยอม ามันกไม่ยอมก็ไม่ยอมอยากได้มีส่วนหนึ่งของตัวเองเป็นพยายนมะาให้มือมือทําอะไรไว้เนี่ยให้มือพูดเองเนี่ยเราจะให้มือพูดนี่คือคือซอยตันแล้วใช่ไหอัลลอฮ์ก็จะให้เขาต้องยอมรับเนี่ยไม่ซื่อกับอัลลอฮ์ سبحانه และก็ดาร์นะในในกรณีนี้วันเกียร์มาในกรนีร้เดียวกันนะะท่านนาบีพูดถึงผู้สภาสองคนแต่เขาซื่อต ส opian, giggling, ango, gesture, ื่อตัวนึงกคนหนึ่งในฮาริสบทหนึ่งท่านนะบีบอกว่าอัลลอ์จะเรียกเข้ามาใกล้ๆคุยกับอัลลอ์ใกล้ๆถามว่าทำไมอะไรเงี้ยแกทำไมทำอ๋อข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าสารภาพยอมรับซึ่งสำหรับผู้ปฏิเทธหรือคนที่ในละคนณน่นะอยู่ตอนหน้าอัลลอฮ์นี่ไงหน้าด้านนะอยู่ตอนหน้าอัลลอฮ์่ได้ทำที่ไหนไม่ได้ทาแต่สาหรับผู้ศรัทธานี่ข้าพเจ้าทาข้าพเจ้ายอมรับ อัลลอฮ์ก e ็จะบอกว่าข้าได้ปกปิดแล้วในโลกนี้เนี่ยไม่ให้ใครรู้และก็วันนี้ในวันเกี่ยมข้าก็จะปกปิดไม่ให้ใครรู้ข้าให้อภัยให้โทษแกเจ้านี่กรณีนคนที่ซื่อกับอัลลอฮ์นะอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์เด็กมนี่ไม่นี่ไม่ในเรื่องเลยนะบาปเล็กแล้วก็บาปเขามีบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่เลาว่าเอาบาปเล็กมาทำก่อน บาปเล็กเนี่ยเองทำบ่มีบาปเล็กนี่เองทำบ่ทาอันเนี้ยทาอันเนี้ยนีทําทําำมีข่าวดีไอ้บาปเล็กมีทั้งหมดนี่นะฉันจะให้บาปเล็กเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดบุญบาปเล็กนี่ก็จะเป็นบุญเล็กบาปเล็กเป็นบุญเล็กบุญเล็กก็จะกลายเป็นบุญหมดเลยเฮ้ยบุญเล็กก็จะบุญบาปเล็กก็จะเป็นบุญเล็กเมื่อถึงบาปใหญ่ก็จะเป็นบุญใหญ่ใช่ไหม แต่ข้าพเจ้าได้ทาบาปใหญ่ยังไม่เห็นอยู่ตรงนี้นหายี่ไหนหมดพออัลลอฮเนี่ยให้ดูบาปเล็กอยเดียวพอรู้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺให้อะเบอทุดแล้วก็เปลี่ยนบาปเล็กเป็นเป็นบุญเล็กกันนะเออก็อยากข่าวนี้แหละแล้วก็บาปใหญ่ของข้าพเจ้าไปไหนหมดนะ่ะอยากให้อัลลอฮฺเสนอจะได้เปลี่ยนเป็นเป็นบุญไปด้วยแต่นี้เหมือนกันสําหรับคนที่สาราภาพก็ถามเลยเวาถามบ้า วันนู้นวันนี้นนทำบ้าวทำในลูกเนี้ยเราฝึกฝนในการที่จะสารภาพต่อเราแวแก็เราหลอกลวงมนุษย์นี่มันไม่มีผลหรอกไม่มีไ ม, ม่ประโยชน์หรอกถ้าเราฝึกฝนในการสารภาพซื่อตรงต่อพระสุภานาหัวตาอะไรมันช่วยได้เยอะเลยชีวิตของเราจะดีดีมากเลยอย่างน้อยนะจะสอนให้เรานี่ยยอมรับว่าเราทำ ส่วนมากคนนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไงนะทำความผิดทาความชั่วแล้วไม่อยอมเปลี่ยนแปลงเพราะหลอกชาวบ้านว่าไม่ได้ทําจนตัวเองเชื่อว่าไม่ได้ทำหรือว่าทําแต่ธรรมาดาเฉยๆเพราะคนก็ไม่รู้หรอกแต่การที่เราสารภาพอัลลอฮ์นี่มันจะเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน้อยเนี่ย ขยับตัวเองไม่อยู่ในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดื้ดานด้าด้านต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ใช่ไม่ได้เย่มากผู้สถัทาไม่ควรที่จะมีมารยาแบบนี้แล้วเราอยากจะอยู่ในอยู่ในฝั่งที่เราอ๋อเรามีอุบายกับอัลลอฮฺเราปกปิดสามารถบอกว่าอยากจะอยู่ในฝ่ายที่อัลลอฮฺให้จะมีอุบายกับเราอยากจะเป็นแบบนั้นเหรอแล้วมันจะสนุกเหรอ เรามีอุบายปกปิดไม่ให้คนรู้แต่จะมีอุบายปกปิดไม่ให้เรารู้นี้วย่หรอมันเป็นไปไม่ได้ในดุอาของเราละหมาดของเราเนี่ยมันต้องมีส่วนหนึ่งที่เราจะขอดุอาขอพระยโทษที่ท่านนบีศ่อ้วยในดุอาไซดูริสเตอรฟาร์มเนี่ยเวลาถึงจุดเนี้ย اللهم u ن ت ربي لا r ل ه b ل ا a ن ت خلقتني وانا عبدك وانا على حديك و ع د ك و س ط ع ت ع و ذ ك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك ع ل ي و وهو بذنبي فغفر لي فإن ه لخير الذنوب إلا انت ولا ت ن ت د ي وابو بذنبي هي ขาว هي ขา ل ลายลาร و ا ب و بذنبي وابو بذنبي เ ب าบอก و จ้าเขาสา ب ภาพเขาสารภาพบอกเขาบอกจริงทำบาจริ ไม่รู้แล้วจะทำยังไงข้าพเจ้าไม่รู้จะทำอย่างไไม่รู้จะเลิกยังไงไม่รู้จะจะลบล้างความผิดความชั่วนี่สมุดบันทึกการความชั่วของข้าพเจ้ามันเยอะเหลือเกินข้าพเจ้าไม่รู้จะไปหาใครมันไม่มีไงใครจะมาช่วยข้าพเจ้านอกจากพระองค์ท่านฟร์ฟิร ล, ลีดังนั้นได้โปรดให้อภัยโทษแก่ฉันด้วย พระนทรนะฮูนะ่างฟิรุสุลูไม่มีใครที่จะสามารถให้อภัยโทษได้นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นซื่อตรงซื่อสัตว์กับอัลลอฮฺ سبحانه และก็คนที่ซื่อตรงกับพค์จะซื่อตรงกับคนอื่นคนที่ซื่อตรงกับอัลลอฮน سبحانه และก็จะมีความซื่อสัตว์ซื่อตรงกับคนในสังคมฝากไว้เพียงเท่นี้นะครับบัสลลัลละฮฺอัลลอฮฺบินะซิบฮมุฮัมมัดวะลาลัลซ